u d d h a m m a r a n a gacchā. u d d h a m m a r a n a g a c c h a u d d h a m m a r a n a gacchā. u d d h a m m a r a n a gacchā. Way, วิภาวะตัณหาเนี่ยธรรมชาติใดเห็นว่าตัวตนที่อยู่ในอารมณ์ทั้ง6คือลักษณะของวิภาวะตัณหาเนี่ยที่บอกว่าราคาสรรคตคดด้วยอุเฉทิติ เรียกว่าวิภาวะตัณหาเอารูปตัณหามาตั้งบวกด้วยอุเฉ ท, ทิฏฐิแล้วก็ยินดีพอใจเนี่ยนะแล้วก็เอาสัทธาตัณหาคันธะตัณหาราสตาตัณหาโพธภาตัณหาธรร ม, มตัณหาเนี่ยเอามาตั้งแต่เอาทิฏฐิบวกเข้าไปแต่เป็นอุเฉ ท, ทิฏฐินะไอตัวนั้นนั่นแหละเป็นวิภาวะตัณหาเห็นว่าขาดศูนย์โดยประการทั้งปวงก็าได้เห็นว่าขาดศูนย์บางอย่างก็ได้ เห็นว่าบางอย่างขาดศูนย์บางอย่างไม่ขาดศูนย์ก็ได้นะบางกลุ่มเห็นว่ารูปขาดศูนย์ใช่ไหมแต่เวินาสัญญาสังขารไม่ขาดศูนย์นี่ก็ยังเป็นอุเชติทิฏฐิส่วนรูปไปเลยในตัวขาดศูนย์มันขาดอย่างแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของทิฏฐิของคนนี้หมายมันถ้าลักษณะของอารมณ์6ที่บอกว่ารูปปัตนหาสัาตัตหาคันธสัตตราชัตตนหาโพธพัตันหาและตันหาทั้ง ธรรมาตันหาเป็นหเนี่ยนะอาการของตันหามีเท่าไรสามอย่างเป็นการมาตันหาภาวะตันหาและก็วิทยาวาตันหาการของตันหามีเท่าไหร่มีอดีตการปัจจุบันอาการและอนาคตอาการแล้วก็อัจฉริะที่เป็นภายในกับปภิกขะท่าที่เป็นภายนอกเขาเรียกว่าอัจตะิยะภิกธะบวกเข้าไปอีกนะกลายเป็นตันหาสาม ในบรรดาตัญหาเหล่านั้นตัญหาแต่ละอย่างมีโดยอาการตรัดไว้สามอย่างคือกามมาตัญหาภาวตัญหาวิภาวตันหายังไสภาพของตัญหามีรูปารมณ์มาเข้าสู่คลองของจักรุด้วยอำนาจของรูปตัญหาเป็นเหตุให้เกิดความยินดีพอใจในกามอย่างนั้นเป็นกามมาตัญหาถ้าเมื่อเกิดทิฐิปารพอารมณ์นั้นแล้วว่าเที่ยงเป็นภวะตันหา เมื่อเป็นไปกับอุเฉตทิฏฐิใช่เห็นว่ารูปารมณ์นั้นขาดศูนย์ปรารบความขาดศูนย์ความพินาศไปของรูปารมณ์นั้นชื่อว่าวิภวะตัณหาแม้สัทธะตัณหาคันทะตัณหาระสะตัณหาโพธพาตัณห า, า, า, ห า, ภภ า, หาและก็ธรรมตัณหาก็จะเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงรวมเป็นตัณหา18ใช่ตัณหาเหล่านั้นรูปารมณ์เป็นต้นมี18ดใช่ไม รูปารมภายนอกก็18รูปารูปารมภายนอ่ะใช่8เป็น36มสไหม 36. ใน36นั้นน่ะนะตัณหาเหล่าใดเป็นอดีตมี36มสิไหม 36. ปัจจุบัน36อนาคต36ก็กเลยกลายเป็นตัณหา108ดด้วยประการอย่างนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเออสภาพของตัณหาเนี่ยมันมากมายก็เพราะบวกอะไร บวกการสามบวกอาการสามเนี่ยนะนะแล้วก็มีอารมณ์สามมาเกี่ยวข้องแล้วก็มีอะไรนะ่ะภายในภายนอกมาเกี่ยวข้องก็เลยเกี่ยวกับตันหาร้อยแปดเวทนามีร้อยแปดหมวินิจัยลักษณะเป็นต้นของตันหาอย่างไร <c oughs> ลักษณะของตันหาตันหามีลักษณะยังไงลักษณะลักษะรักษาปัจจุบฐานประทัดฐานของตันหาแบบนี้ ตัณหานั้นมีการเป็นเหตุของทุกข์ทั้งปวงเป็นเป็นลักษณะลักษณะของตัณหาเนี่ยเขาเป็นเหตุของอะไรตัณหาเป็นเหตุของอะไรยมสุริเป็นเหตุของวัฏทุกขด้วยใช่ไหมเป็นเหตุของวัฏทุกขทีนี้ลักษณะของสภาวะของตัณหาเนี่ยที่เขาบอกว่าสภาวะหรือลักษณะของตัณหานี่ยเขาเป็นเหตุเหตุของวัฏทุเนี่ยนะคาว่าเหตุของทุกข์นี่คือเหตุของอะไร เหตุของชาติทุกชราทุกมรณะทุกโสกาปริเทวะทุกกะโทมนะส า, าอุปายาตเป็นเหตุของทุกอย่างนั้นเป็นเหตุของทุกอย่างนึง น, นั่นแหละเขาจึงเรียกว่าเป็นเหตุของทุกทีนี้ตัณหามีความเป็นเหตุเป็นของทุกข์เป็นลักษณะประการต่อมาก็คือว่ามีอาการอะไรกันมีความพอใจในอารมณ์มีความพอใจในภพและภูมินั้นเป็นกิจนะ มาจากคำว่าตัณหาเป็นเหตุมีความเป็นเหตุเป็นลักษณะด้วยแล้วก็มีความบันเทิงใจบันเทิงใจในอะไรถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งตัวตัณหาเขาประมวลทุกมาใ ห, หม้มีหน้าที่ประมวลทุกอย่างเดียวเํว้ามาเหตุของทุกเนี่ยนะก็แปลว่าเขาเป็นเหตุของตาเป็นเหตุของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจเนี่ยเขาก็ประมวลความทุกมาให้เราบางทีเนี่ยสมมติว่า เราไปรับมอบเนะี่รับมอบเลยไปรับมอบสิ่งของใช่ไหมแต่ถ้ารับสิ่งนี้ไปแล้วต้องรักษาให้ดีเนะยไอ้ น, นี้มันระเบิดเวลานเนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> เราก็ไปรับมานี่นไปรับตามาเนี่ยแต่ตามีระเบิดเวลาซ่อนอยู่ไหมมีระเบิดอยู่เดี๋ยวมันก็ระเบิดก็คือมันระเบิดนะ่ตาแตกระเบิดตาบอดเลยเอาหูก็เอาระเบิดมา สรุปแล้วเนะี่ยเราดีใจมากจะไม่ไปรับระเบิดเนี่ยแต่ก็ตั้งเวลาอัตโนมัติไว้เรียบร้อย <c ười> เคยคิดอย่างนี้ไหมว่าโอ้โหเรารับระเบิดก็ระเบิดลูกเบอร์เลอร์เลยนะี่ยแล้วในขนาดลูกเบอร์เลอร์ใหญ่โตขนาดเนี้ยนะแล้วมันวิวัฒนาการตัวมันเองใหญ่ขึ้นด้วย <c ười> แล้วมันระเบิดได้ทุกจุดมันระเบิดย่อยใช่ไหมและในที่สุดจริงๆก็เปลี่ยนพบไปนะี่ยมันน่าดีใจไหมอ่ะไปรับระเบิดแล้วก็ตั้งเวลาระเบิดให้ เอาคิดในลักษณะอย่างนี้จะมมันเหมือนว่าให้เรากลืนเข้าไปปุ๊บอนี้นะก็แปวลว่าใจะระเบิดอยู่นั้ น, นคิดมันน่าดีแต่โอ้ถ้าถ้ามองในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยนะตัญหานั่นเป็นเหตุไอ้คำว่าเขาเป็นเหตุของทุกเนี่ยนะก็อย่างที่ได้กล่าวแล้วเมื่อเป็นเหตุของทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหนึ่งขณะมันจะต้องประมวลทุกทุกครั้ง เช่นตันหาในรูปารมณ์เกิดขึ้นแก๊กหนึ่งเนี่ยนะวัดเดียวเนี่ยแปลว่าเขาประมวลทุกเวทเบ็ดสร็จแล้วสร้างทุกสร้างขันไว้เรียบร้อยในขณะที่ตันหาเกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยแปลว่าเขาสร้างถ้ารูปตันหาเกิดขึ้นนั้นก็สร้างอะไรสร้างตาเขาสร้างตาแล้วเนาะศัทธาตันหาเกิดขึ้นคือสร้างอะไรเห็นไหมประมวลหูไว้เรียบร้อยแล้วรัศฐตันหาเกิดขึ้นก็คือสร้างจมูกเออรัศฐตันหา คันทะตัณหาโคดทพาัตตัณหาแล้วก็ธรรมตัณหาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมแปลว่ามันประมวลหรือเป็นเหตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคนบอก้ยไม่ชอบใจตาเลยเนี่ยแต่ว่ายังยินดีพอใจในรูปมันสร้างตาแล้วนะฉะนั้นตัวสภาพของตัณหาเนี่ยมันสร้างเบ็ดเสร็จหมดแล้วมีความพอใจไดตรงนะี้พอใจในอารมณ์ อารมณ์หกพอใจในภพถามว่าภพไหนบ้างภพเลยใช่ไหมบางคนบอก้ยไม่พอใจใบยภูมิอันทําไมสร้างโลภะแล้วก็โลภะนี่มันเป็นเหตุของใบยภูมิไม่ใช่หรือก็ยินดีนั่นแหละจะไปบอกไม่ยินดีไม่ได้ใช่ไหมมันบอกว่าเกลียดที่หน้าจะให้คนคนเนี้ยเกลียดมาก แ, แต่ถ้าเขาจะมาคุยด้วยก็ไม่รังเกียจนะถ้าเขาเปลี่ยนหน้ามาไม่รังเกียจ ยังยอมสุริว่าคนนี้เกลียดมากใช่ไหมเขาตายไปเขามาเกิดเป็นลูกเราไม่รังเกียจเลยคนเขามา <g ül> เขามาในร่างใหม่กันนั้นนะชื่นใจนะจากที่เคยบอกเกลียดที่สุดโอ้ยชอบมากมันเป็นอย่างนี้นะมีความไม่อิ่มในอารมณ์ของจิตและบุคคลเป็นผลนั้นสภาพของตัณหามีความไม่อิ่มในอารมณ์นะมีอะไอย่างนี้ดูเห็นเยอะๆใช่ไหมนัตถิตัณหา สมาณนาทีงเงี้ย้ัณอาเมื่อน้ำอ่ะเสมอหรือไม่อิ่มไม่อิ่มทะเลไม่อิ่มน้ําตัณหาก็ไม่อิ er ่มในอารมณ์ไม่มีทางอิ่มในอารมณ์แล้วประการต่อมามีอะไรเป็นเหตุใกล้ตัณหามีอะไรเป็นเหตุใกล้ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุใกล้ทีนี้เวทนาที่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาได้อํานาจปัจจัยเท่าไหร่ได้ปัจจัยเท่าไหร่เวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหา เวทนาที่ในจกักขวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชีวหาวิญญาณกายแวิญญาณและมนโนในพวังเนี่ยในมนโนทวารเนี่ยนะเวทนาที่ในจกักขวิญญาณเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยกับตัณหาถ้าเวทนาเป็นปัจจัยแก่บอกว่าจากักขูสัมผัสชาวเวทนาเป็นปัจจัยแก่รูปปัตหาเนี่ย ได้อํานาจปัจจัยสรงเคราะเท่าไหร่ก็ว่างั้นได้เท่าไหร่ดิสมควรจะได้เท่าไหร่เนี่ยถามว่าเวทนานั้นอยู่ในไหนอยู่ในไหนอยู่ในจักรวิญญาณอยู่นะเพราะเป็นจกักรครูสัมผัสใชาวเวทนาเนี่ยแล้วตัณหาอยู่ในชาวนะหรือเปล่าแล้วควรจะได้อํานาจปัจจัยสรงเคราะ์ อ, อะไรเนี่ยสหชาติชาตชาติได้ไหมสชาตชาติชาติได้ไห ม, หาาไไหมถ้าในกลุ่มนี้ไม่ได้สาชาตชาตินะ ทำไมจึงไม่ได้สาชาตชาติเนี่ยทำไมไม่ได้สาชาตชาติเพราะเพราะว่าเวทนานั้นตัวเวทนานั้นอยู่ในวิบาจิตใช่เวทนาอยู่ในวิบากอยู่ในจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณเป็นต้นเนี่ยเวทนาอยู่ในนั้นส่วนตัณหาอยู่ในชาวนะใช่ไหมฉะนั้นตัวเวทนาเกิดก่อนม เกิดก่อนเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเออถ้าหากว่ามองมองในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นนะว่าได้อุปนิสยปัจจัยเขาเรียกว่าได้ปกตูปนิสยปัจจัยนะเหตุธรรมคือเวทนามีอำนาจโดยสภาวะของตนเองไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจของอารามานูปนิสยปัจจัยและอนันตูปนิสยปัจจัย นั่นอุตวเวทนาตัวนั้นน่ะที่อยู่ในจักรคุยัญ น, นั้นเป็นอะไรเป็นปกจตูปนิสยัยเป็นปกจตูปนิสยัยพอพูดถึงพูดถึงในเรื่องของปกจตูปนิสัยปัจจัยเนี่ยในส่วนของอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะต้องทําความเข้าใจหน่อยเดี๋ยวถามว่าปกจตูปนิสยัยหรืออุปนิสัยปัจจัยเนี่ยเพราะตัวเวทนาเวทนาเนี่ยนะ เวทนาที่อยู่ในจักรคุยัญาณโสตวิญญา ณ, ญาณคานาวิญญาณแล้วก็อะไรกันชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณแล้วก็อะไรสัมปติได้เปล่าสัมปติชนะสันตีรณะเป็นต้นเนี่ยนะที่จริงก็คือในในโลกีะเนี่ยนะเขาบอกอย่างนี้คําว่าเหตุรมเหตุรมเนี่ยนะมีสองอย่างเหตุรำเนี่ยนะ คำว่าเหตุธรรมที่เป็นอุปนิสยปัจจัยในแง่ของปัจจุบันิสยปัิจัยก็เหตุธรรมมันเป็นที่อาศัยที่มีกําลังแรงกล้าที่ได้ทํามาแล้วด้วยดีชื่อว่าปกจจปบิสยปัจจัยเวทนาที่เกิดขึ้นในจักขคูวิญญาณเนะี่ยทํามาแล้วด้วยดีเนะเพราะเวทนานั้นเนะ่ะเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยอาศัยผัสสะผัสสะมีอายตนะเห็นไหม การประชุมกันของจกักขูอินยานโซตาอ่าขอการประชุมกันของรูปา ร, รมณ์จักขูอินยานแล้วก็จกักขู菩ทตัว菩ะตัวผัสสะเดือนั้นการประชุมของธรรมเหล่า น, ال นั้นสร้างเวทนามะนั้นเวทนานี่เป็นเหตุธรรมที่มีกําลังที่ได้ทํามาแล้วจะไม่เป็นปักตังเหตุธรรมที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังแรงกล้าที่ได้ทํามาแล้วเนี่ยนะด้วยดีนั้นชื่อว่า ปากตูฉะนั้นตัวเวทนาที่ในจกักรกุญญญาเป็นเหตุธรรมที่ได้ทํามาแล้วด้วยดีนะมีกําลังแรงไหมเหตุธรรมเป็นที่อาศัยที่มีกําลังแรงกล้าด้วยอำนาจสภาวะของตนเองไม่เกี่ยวข้องด้วยอํานาจของอารามณนะไม่เกี่ยวข้องด้วยอํานาจของอนันตระนั่นแหละคือเป็นปากตูปัิญายปัจจัยแล้วคำว่าเหตุธรรมเหตุธรรมเขามีความหมายยังไงเหตุธรรมที่ทําที่ตนได้กระทํามาแล้วด้วยตนเอง อันนั้นเป็นอุ ป, ปาทิตะเหตุนี่เป็นเหตุธรรมที่ได้ทำด้วยตนเองอย่างหนึ่งนะและเหตุธรรมที่ผู้อื่นทำมาให้ผู้อื่นได้กระทำมาแล้วชื่อว่าอุปเสวิตเหตุเหตุธรรมนี่มีสองอย่างใช่ไตนเองทำกับคนอื่นทำเหตุที่ตนเองได้กระทำมาเช่นเช่นเช่นเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ให้ทานรักษาศีลเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เกิด ด้วยอำนาจของปกะตูและสําหรับเหตุธรรมที่ผู้อื่นได้กระทําเช่นเห็นบุคคลอื่นว่าอง อ, อ่อย่างเห็นบุคคลอื่นฉะนั้นในตัวเวทนาเนี่ยนะจะเกิดขึ้นมาได้นั้นนะถามว่าตัวเวทนาเนี้ยเนยะมาจากเหตุอื่นหรือมาจากเหตุตนเองมาจากเหตุอื่นหรือเหตุตนเอง้องมองดูที่เวทนามีอํานาจโดยสภาวะของตนเองใช่ไหม เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารามานูและไม่ได้เกี่ยวข้องกับปกจจุตัวเวทนาเนี่ยที่เวทนาเป็นปัจจุตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นอารามานูไม่ได้เกี่ยวข้องโ ด, ย, งดยความเป็นปัจจตูงั้น submission. เขาทํามาแล้วได้วดีเนีย่ยเพราะว่าในขนาดนั้นเขาไม่ได้เป็นปัจจัยแก่การเกิดขึ้นติดต่อกันและในขนาดนั้นเขาไม่ได้ไปรับเป็นอารมณ์ไม่ได้รับตัณหาเป็นอารมณ์ แต่ว่าเขาเป็นปัจจัยให้ตัณหาในชาวนะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมดูตัวเวทนาในจักขุญญานเะนี่ยกับตัณหาในชาวนาเนะี่ยถ้าเขียนใช่ไหมตัวตัณหาอยู่เนี้ยนี่คโลภะใช่ไหมนี่โลภะแปดใช่ไหมตัวโลภะแปดมีบวกโลภะเจอสิเนี่ยนะตัวจกักขคุญาณ เวทนาอยู่ตรงนี้เวทนาในจักรูญามะเรื่องนี้ก็จักขู่สัมผัสสชาเวทนาเป็นปัจจัยแส่รูปตัจหาในชาวน า, าคือจักขู่สัมผัสสชาเวทนาเป็นปัจจัยรูปตัจหาในชาวนาว่าไงเหตุธรรมที่ทํามาเนี่ยสําหรับเหตุธรรมที่ผู้อื่นได้กระทําคือเห็นบุคคลอื่นชอบกองเป็นต้นใช่ไหม ลักษณะอย่างนี้จะมองเห็นในคำว่าปกตูเนี่ยว่าทำที่เป็นปกติเป็นเท่าไสยที่มีกำลังแรงมีกาลังแรงพอจากขุ่ญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาเนี่ยนั้นดับไปแล้วใช่ไสัมปติชนะสั้นตีละนะโวธพนะในี่สามขณะใช่ไ้ตัณหายิงเกิดดูที่ในความแรงของปกตูบนิสยา ความเป็นอุปนิสยปัจจัยในการที่เวทนาในจกักขุวิญญาณที่ปารบรูปารมนั้นน่ะทําให้สัตว์นั้นยินดีรูปได้อะน่าจะหมดไปตั้งแต่จกักขุวิญญาณนะใช่ไหมน่าจะหมดใช่ไหมแต่ทําไมสร้างตันหาได้อะแล้วไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมไอรูปไ อ, ไอจกักขุสัมปัสสชาวเวทนาไม่ใช่แค่นั้นนะยังสร้างตันหาในอตีต่าฆานวิถี สมูหะคณาวิถีอัฐถักคณ า, าวิถีนามะคณ า, าวิถีและวิถีอื่นๆก็ตามมาที่ปารบรูปเพราะอาศัยจักขู่สัมผัสเสชาวเวทนานั่นแหละจึงเป็นปากตัปนิสยปัจจัยอุปการะแก่ตันหาที่เกิดหลังๆไม่ใช่เกิดหลงังแบบเกิดคนละวิถีก็ยังเกิดเลยแต่ในที่นี้นะแค่ปารบในวิถีเนี้ก็จะเห็นชัดเห็นไหมว่าตันหาที่เกิดขึ้นนั้นมี เวทนาเป็นปัจจัยด้วยอานาจของอุปนิสัยปัจจัยเป็นอย่างนี้อะไรนะอ ย, อย่าไปเข้าใจว่าในแง่นี้ไม่ใช่เอารูปอารมณ์มาเป็นปัจจัยแก่เวทนาเนะไม่ได้พูดในแง่ของอารมณนะแต่พูดในฐานะว่าเวทนาปัจจญยาตัณหาตัณหาเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนาเป็นปัจจัยนะอยู่ในข้อนี้เวทนาปัจจยาตัณหาเนี่ ใช่ไหมเรากําลังเรียนเวทนาปัจจญาตัญหาไม่ใช่เรียนในแง่ของอะไรนะอารามนาะปัจจะใจไม่ได้เรียนในได้ๆได้ไดไไดอย่างถ้าหากเป็นอุปนิสยปัจจัยทางด้านของปัจตูปัิญสยปัจจัยแล้วเนี่ยต้องปฏิเสธอนันตรูกับอารามนูเวลาใดเป็นปกจตูปัิญสยเวลานั้นต้องไม่เป็นอารามนะต้องไม่เป็นอนันตระ เพราะปัจจัยสามปัจจัยนี้จะไม่เข้าพร้อมกันจะไม่เข้าพร้อมกันเพราะมันมันต่างกันโดยอะไรตรงนี้มองเข้าใจแล้วนะแต่นี่นะหรือไม่เข้าใจอ๋ <c oughs> อยังไม่พอใจเลยต้องคิดอย่างอื่นบ ว, วกไปก่อนเวทันหามีอะไรเป็นเหตุกา้มีเวทนาเท่าไหร่เวทนาสามหรือเวทนาหนึ่งมีเวทนาทั้งหมดนั่นแหละเป็นเหตุไะ มีเวทนาทั้งหมดนะเป็นเหตุฉะนั้นลักษณะของตันหาเนี่ยนะที่บอกว่าสภาพของตันหาสมุทัยนยะเขาก็มีลักษณะของเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัญหาก็ก็ดังที่ได้กล่าวนะเออประการต่อไปนะถ้ามาพิจารณาตรงนี้อย่างย้อนไปดูในหมวดของอวิชาน่อยที่บอกว่าอาวิชานะั้นถามว่ามีอย่างเดียวเนะี่ยเราจะนับยังไง เพราะเป็นอัญญาณคือไม่รู้เป็นอัญญาณคือไม่รู้อัตสนะน่คือไม่เห็นใช่ไหมถ้าจะนับอวิชชาเป็นอย่างเดียวนับยังไงบอกไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรก็ว่าไปไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจเป็นต้นนั่นและและโมหะความหลงเป็นต้นน่นนะถามว่าถ้ามีสองอย่างล่ะอวิชชาเนี่ยถ้าสองอย่างคือไงเพราะความที่ไม่ปฏิบัติและความที่ปฏิบัติอวิชชาเนี่ยไม่ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะและก็ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผิดไหมผิดเนี่ยคืออวิชชาเนะี่ยไม่ปฏิบัติก็เป็นอวิชชาพอปฏิบัติถ้าเป็นอวิชชาเขาเกื้อห น, นุนก็ปฏิบัติผิดซะทีปฏิบัตินอกอริยมรรคทีนี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นสองถ้าหากเป็นสามเพราะสัมปยุต ด, ด้วยเวทนาสามไอตัวเวทนาเนี่ยไอตัวโมหะเนี่ยสัมปยุต ด, ด้วย สมณะเวทนาโทมณสเวทนาและอุเบขาเวทนาเห็นไม้มนี่เป็นสามถ้าเป็นสี่เพราะไม่แทงตลอดในอริยสัจสี่คือไม่แทงตลอดในทุก์ไม่แทงตลอดในทุกกสมืมูไทยทุกขานิโรธแล้วก็ทุกขานิโรธาคามีนีปฏิปทานเนี่ยนะชื่อว่าห้าเพราะบกปิดโทษของคติห้าอวิชานี่นะมีหเพราะปิดอะไร ปิดโทษในนิรยคติเดรฉานคติเปรติคติมนุสยคติเทวคติมันปิดไม่เห็นโทษทั้งนั้นไม่เห็นโทษในคติทั้งห้าว่าโดยทวารและอารมณ์อวิชชานั้นมีหกมีหกใช่ไหมเป็นไปทวารและอารมณ์มีเป็นอย่างนั้นต่อไปสังขารแหละสังขารที่เราเรียนมาแล้วสังขารมีอย่างเดียวเพราะเป็น สาสววิปากธรรมธรรมแปลว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเป็นอย่างเดียวนะมีสองเพราะเป็นเจตนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสองใช่ไหมสังขานเป็นปริตตธรรมเป็นมหาคตธรรมเป็นสองไหมเป็นปริตตธรรมมหาคตธรรมเป็นหีนธรรมเป็นมัชชิมธรรมและก็เพราะเป็นมิจฉัตเนียกะธรรมเป็นต้นอเนียตตาเป็นต้นนี่ยนะ เป็นสามเพราะอะไรปุญญาภิสังขาร น, นะปุญญาภิสังขารและอเนนชาพิสังขารศึกษามาแล้วเป็นสี่ก็คือเป็นไปในกําเนิดสี่กำเนิดสี่มีสังเสริฐช้ากำเนิดอันทชะชลาพุชะโอปปาติกะมีห้าก็คือไม่ห้าอย่างก็คือเป็นทางแห่งอะไรเป็นทางแห่งคติทั้งห้าสังขารนี้เป็นทางแห่งคติทั้งห้าไหมโยมูเป็นไม่เป็น เป็นทางแห่งนิรยาคติดดรฉานคติเปติคติมนุสยาคติแล้วกเทวคติวิญญาณมีอย่างเดียวเพราะเป็นเพราะเป็นโลกียวิบากใชม่มีอย่างเดียวก็คือเป็นโลกียวิบากมีสองอย่างเพราะเป็นวิญญาณที่เป็นอเหตุกะกับวิญญาณที่เป็นสยเหตุุกะมีเหตุประกอบและมีไม่มีเหตุประกอบเป็นสมอย่างนับตามพบ วิญญาณที่เป็นไปในกาลประกบในรูปประกบและในอรูปประกอบใช่ไหมแล้วก็เป็นสามอีกอย่างหนึ่งประกอบกับเวทนาสามไหมสุขเวทนาทุกขเวทนาและเบียดขาเวทนาเป็นอิเหตุตุกกะทุเหตุตุกกะแล้วก็ติเหตุตุกากะก็ได้ใช่ไหมเป็นสามใช่ไหมเหตุหนึ่งมีไหมวิญญาณเหตุหนึ่งมีไหมมีเออไม่มีเหตุมีไหมขออภยัยมีใช่ไหม ตัวปฏิส่นที่วิญญาณที่ไม่มีเหตุก็มีและเหตุสองมีไหมเพราวิปยุท์เนะี่ยเหตุสามติเหตุตุกะมีเป็นสี่ก็คือกำเนิดสี่วิญญาณในกำเนิดสี่ห้าก็คติอ น, นามรูปนามรูปต่อไปนามรูปก็เรียนมาแล้วนามรูปมีอย่างเดียวเพราะอาศัยวิญญาณโดยมีกรรมวิญญาณเป็นต้นเป็นปัจจัยเนี่ยนะเป็นสองล่ะ เป็นสารมณะและอนารมณะรูปเป็นสารมณะหรืออนารมณะเหมือนนานออกเหลือเกินรูปเป็นอนารมณะยอมเยี่ยมรูปเป็นอนารมณะหรือสารมณะรับอารมณ์ได้หรือไม่ได้ก็เป็นอนารมณะสิเจ้าน้ำนี่ก็เป็นสารมณะเป็นไปกับอารมณ์รับอารมณ์ได้เป็นสามอย่างก็คือน้ำรูปที่เป็นอดีต นามรูปที่เป็นปัจจุบันนามรูปที่เป็นอนาคตเป็นสามได้เป็นสี่เป็นห้ากับโดยกําเนิดโดยคตินั่นแล้วอตรายตนาล่ะถ้าอย่างเดียวก็เพราะยังไงเพราะเป็นที่เกิดและที่ประชุมในอย่างเดียวอายตนาคือตาหูจมูกเป็นต้นคืที่เกิดที่ประชุมสองอย่างก็เป็นพวกภูทรูปกับปาษาทรูปนี่เนะียมีสามอย่าง สอย่างห้าอย่างก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันนะเนี่ยอันนั้นก็ให้ไล่ไปตามลําดับคล้ายๆกันไปก็แล้วกันต่อไปต้องไปตามมาไล่ให้มันได้ตามนี้ก็แล้วกันนะนั่นแหละคือเอามาตรึกในลักษณะอย่างนี้ก็จะมองเห็นความเป็นอย่างเดียวบ้างสองอย่างบ้างสามบางอย่างบ้างสี่อย่างแล้วก็จะห้าอย่างตามลักษณะของอวิชชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปสรายาตนาภาษาเวทนา ถ้าหากว่าสองอย่างจะเป็นยังไงเนี่ยตัณหาสองอย่างจะนับยังไงดียินดีภายในและภายนอกสามอย่างแหละอดีตอนาคตปัจจุบันอันนี้แม่นอยู่แล้วนะอย่างนั้นก็ได้อาการสามก็ได้แล้วก็สี่อย่างก็ลองกําเนิดห้าก็ลงสติโอ้เยะๆเยอย่างนี้ยังไปได้นะอัดขึ้นอุปาทานสักเล็กน้อย เพราะมีเวลาเหลือบ้างเล็กน้อยเนี่ยอุปาทานอุปาทานเนี่ยนะสภาวะของอุปาทานเนี่ยอุปาทานก็ได้แก่อุปาทานสิอุปาทานหมายถึงการยึดมั่นในอารมณ์และความเห็นที่ผิดฉะนั้นตัวอุปาทานนี่ก็จะมีอะไรละ่ะมีโลภะกับกับทิฏฐินะมีโลภะกับทิฏฐิทีนี้ลักษณะของอุปาทานเนี่ยนะ สภาวะหรือลักษณะของอุปาทานมาจากคาว่าภูสังอาทิยติอมุญจาคาหังใครหันติติอุปาทานานิทำเราใดยึดถือแรงกล้าคือยึดไว้ไม่ปล่อยเช่นั้นทำเหล่านั้นชื่อว่าอุปาทานถ้าหากว่าลักษณะของอุปาทานเนี่ยเนอุปาทานิยติติอุปาท า, า, านานิทำเราใดที่ยึดมัน่นเะนั้นทมเหล่านั้นชื่ออุปาทาน ได้แก่ตัญหาและทิฏฐิที่มีกำลังมากลักษณะของอุปาทานเนี่ยคือต้องยึดไว้ลักษณะของการยึดไว้นั้ น, นต้องยึดไว้แบบไม่ปล่อยแล้วก็ต้องมีกำลังมากสภาพของอุปาทานที่บอกว่ายึดไว้โดยไม่ปล่อยเนี่ยนะถ้าในภาพพิธ ร, รมท่านแยกเกี่ยวในเรื่องของอุปาทานก็ว่า ว่าลักษณะของอุปาทานที่บอกว่าเป็นสภาวะที่ยึดไว้แบบไม่ปล่อยเนี่ยถามว่าเขายึดอะไรลักษณะของการยึดไว้แบบไม่ปล่อยเนี่ยเขายึดอะไรลักษณะของอุปาทานเขาบอกเครื่องยึดมั่นกลับคำว่าเครื่องยึดมั่นคือกิเลสกรรมก็ถามว่าไอตัวอุปาทานนี่นะกิเลสยึดมั่นไอเครื่องยึดมั่นคือกิเลสยึดมั่นนี่นะกาวคือจับไว้แล้วก็ไม่ปล่อย ไอตัวเครื่องยึดมั่นนี่นะเครื่องยึดมั่นคือกิเลสกิเลสที่ยึดมั่นน่ยกล่าวคือจับไว้ไม่ปล่อยเนี่ยลักษณะของการจับไว้ไม่ปล่อยไปตรงกับคําที่พูดนะึกครู่เนี่ยที่บอกว่ายึดอย่างแรงกล้ายึดไว้ไม่ปล่อยแค่นั้นจึงเรียกว่าอุปาทานนั่นในหนึ่งนะในนี้ก็ปแปล ว, ว่ายึดไว้แต่แบบไม่ปล่อยถ้าหากอีกมุมหนึง่ง ทำเหล่าใดที่ไปยึดมั่นเพราะฉะนั้นตามเหล่านั้นชื่อว่าอุปาทานอันนี้เอาตันหากับอะไรตันหากับทิฏฐิเพราะสภาวะของอุปาทานเันมีสี่ใช่ไหมอุปาทานนี่เป็นเหตุยึดมั่นเนี่ยถ้ามาพูดถึงตรงนี้ไอตัวโลภะกับตัวทิฏฐิที่มีกําลังเนี่ยเยตันหาและทิฏฐิเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าตันหาและทิฏฐิอย่างธรรมดายังไม่ชื่อว่าอุปาทานนะ ต่อเมื่อตัญหาและทิฐินั้นมีกำลังแรงมากขึ้นคือยินดีติดใจในอารมณ์ด้วยและก็ไม่ยอมปล่อยเวลานั้นในตัญหานั้นจึงชื่ออุปาทานถามว่าถ้าตันหาเกิดขึ้นแล้วยึดไว้แบบไม่ปล่อยตัญหานั้นยิงจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอุปาทานถ้าหากว่าเมื่อมีความเห็นผิดอย่างแรงกล้าจนติดนั่นแล้วก็แก้ไม่ได้ คือไม่สามารถที่จะยอมรับฟังความเห็นของคนอื่นไอเวลานั้นนั่นแหละทิฏฐินั้นจึงได้ชื่อว่าอุปาทานอีกตวงแน่นไหมแค่นี้แน่นไหมเนี่ยตะปูตอกใช่ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าพอพูดถึงตรงนี้เราก็จะเห็นนะว่าไอลักษณะของอุปาทานเนี่ย ถ้าเห็นลักษณะของความยึดมั่นในลักษณะแรงกล้าติดแน่นแล้วเดาแก้ไขไม่ได้อย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าอุปาทานมันมีสี่เห็นไหมมันมีสี่ถ้าเป็นพวกกามุปาทานาเนี่ยมีอยู่สองความหมายเครื่องยึดมั่นคือกิเลสกามกับเครื่องยึดมั่นวัตถุกรรมเอาอะไรมันมีสองสองอย่างเลยนะความยึดมั่นนี่นะเครื่องยึดมั่นวัตถุกามกับ เครื่องยึดมั่นคือกิเลสกรรมเนี่ยนะที่อะไรแรงกว่ากันเนี่ยตัววัตถุกรรมรู้จักวัตถุกรมแล้วใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นที่มาบัญญตัติเป็นทรัพย์สมบัติช้างมา้าโคกระบือแพะแกะไก่สุกรเป็นต้นใช่ไหมรัย์สริงคานต่างๆท่าหญิงท่าชายเป็นต้นเนี่ยนะไอตัวนั้นเป็นตัววัตถุกรรมถ้านในมหานิเทศขยายมาเป็นร้อยกว่าชื่อตัววัตถุกรรมเนี่ยนะทีนี้ เครื่ <K ill ets gram> องยึดมั่นคือกิเลสกามกับเครื่องยึดมั่นวัตถุกรรมเนีย่ยนะอันนั้น น, at at at at นั่นแหละเป็นกามมปาทานกามุปาทานกามุปาทานเครื่องยึดมั่นคือกิเลสกรรมนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งกามุปาทานเครื่องยึดมั่นวัตถุกรรมเขาชี้ไปสองท่านชี้ไปสองประเด็นนะตัวเครื่องยึดมันน <gram> วว่นเนี่ยตัวกิเลสกามกับตัววัตถุกรรมเนี่ยนะถ้าว่าโดยองค์ธรรมคือความยึดมั่นในร่มหก รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือโลภะเจตสิกที่ยึดมั่นในโรอารมณหกรวมทั้งรูปปพบและรูปประพบด้วยรวมรูปประพบรูปประพบด้วยใช่ไหมการมุปาทานเพราะอถว่ายึดมั่นกามกล่าวคือวัตถุ ก, กามชื่อว่ากามุปาทานเพราะกามนั้นเป็นตัวยึดมั่นอุปาทานก็แปลว่ายึดมั่นอุปัสสับในคําว่าอุปาทานมีอธถวมั่นธรรมที่ชื่อว่า มั่นในที่นั้นน่ยจึงเรียกว่าอุปาทานใช่ไหมยึดมั่นกามเนี่ยนะคาว่ายึดมั่นกามเนี่ยก็เอากามสองอย่างมามาเรียกเอาวัตถุกามกับกิเลสกามความใคร่ความพอใจความกําหนัดความเพลิดเพลินความยินดีความกําหนัดนักความกําหนัดอย่างแรงกล้านี้เป็นกิเลสกามไอ้วัตถุที่เป็นเครื่องยึดอันนั้นก็เป็นวัตถุกามไปนี ทีนี้ถ้าทิฏฐุปาทานล่ะทิฏฐุปาทานล่ะเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐิความเห็นผิดเท่าไหร่หกสิบสองความเห็นผิดอันใหญ่หลวงสามประการน่ยนะในพระพุทธศาสนาทิฏฐุปาทานเครื่องยึดมั่นทิฏฐิเครื่องยึดมั่นทิฏฐิที่เกิดขึ้นก่อนตามที่ยึดถือว่าความเห็นนี้ถูกความเห็นอื่นผิดอย่างนี้นะ เครื่องยึดมั่นคือทิฏฐิเครื่องยึดมั่นทิฏฐิมีสองประการเนียทิฏฐุปาทานเนี่ยเพราะทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวอะไรตัวยึดมั่นใช่ไหมธรรมชาติชื่อว่าทิฏฐุปาทานเพราะเป็นตัวยึดมั่นทิฏฐิทิฏฐิเบื้องปลายย่อมยึดมั่นทิฏฐิเบื้องต้นตัวอย่างเอาเข้าใจคํานี้ไหมทิฏฐิมันมีสองใช่ไหมพอทิฏฐิเกิดขึ้น ทิฏฐินั้นพัฒนาขึ้นไปไอ้ทิฏฐิที่เกิดหลังๆไปยึดเอาทิฏฐิต้นวันนี้ความเห็นนี่ถูกไปยึดมั่นความเห็นตอนแรกอ่ะอย่างว่ายอมหมูเห็นเนี่ยะว่าเห็นว่าเที่ยงสมมตินพลอยความเห็นตอนนี้เออมันน่าจะเที่ยงไงเป็นทิฏฐิแล้วใช่ไหมเที่ยงจริงๆเลยพัฒนาขึ้นไปไอ้ตัวทิฏฐิเรายึดมั่นใช่แน่นอนแล้วตบมือเลยฟัง ไก่แก้เราไม่ได้เข็นอย่างนี้ชัดเที่ยงจริงๆปิดประตูเลยปิดประตูความเห็นทันทีเลยว่าไม่ได้เอาเหตุผลมาใครเอาเหตุผลมาพูดตัวบอกไม่ไม่เชื่อหรอกเที่ยงอย่างนี้เ็าเรียกว่าทิศที่เบื้องปลายมายึดทิศที่เบื้องต้นยึดมั่นทิศิีเบื้องต้นอัตตาและโลกเที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะไปเห็นโล ก, กว่าเที่ยง เอออัดตาว่าโรคว่าเที่ยงเนี่ยเพราะงั้นนะพอเห็นปุ๊บเออมันน่าจะเที่ยงเลยนะยึดไปยึดมาแล้วโอ้ความเห็นอย่างนี้ไม่มีใครคิดออกเท่าเราอย่างนี้ชัดเลยเพราะง้อย่างเนี้ทิฏฐิเบื้องตายไหมทิฏฐิเกิดหลังๆไปยึดทิฏฐิต้นๆแล้วตอกตะปูลงเลยใช่ไหมห้ามถอนมีการวงเล็บห้ามถอน โลภโลภะโลภะแต่โลภะทีิพัฒนามาแล้วไม่ใช่โลภะองค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่นอกจากสักยทิฏฐิและศีลพัตตทิฏฐิทิฏฐูปารทานองค์ธรรมต้องได้แก่ทิฏฐิก็ทิฏฐิในโลภะนั่นแหละแต่ยึดทิฏฐิทิฏฐิเป็นใหญ่ด้าในนั้นเขาใส่มาเท่าไหร่เขาใส่มาดูไปทีคือทิฏฐิเจตสิกใจ คือไม่ไม่มีโพภะสิทิฏฐูปาทานเราโลภะมาได้ไงล่ะทิฏฐียึดทิฏฐีทิฏฐีเบื้องปลายยึดทิฏฐีเบื้องต้นชื่อว่าทิฏฐูปาทานนะเป็นในลักษณะอย่างนี้เอ่ออีกประการต่อมาจะต้องค่อยๆทําความเข้าใจไปในทิฏฐูปาทานเป็นต้นนี้นี่ประการต่อมาทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องของทิฏฐูปาทานเนี่ยนะ ทิฏฐุปาทานเพราะอัตว่ยึดมั่นทิฏฐิทิฏฐิหลังย่อมยึดมั่นทิฏฐิแรกเนี่ยนะอัตตาและโลกเนี่ยเที่ยงการเห็นในลักษณะอย่างนี้เป็นทิฏฐุปาทานเป็นทิฏฐุปาทานอุปาทานนี่คือการยึดมั่นใช่ไหมเขาแปลว่ามั่นอยู่แล้วอุปาทานเนี่ยโลภะกับทิฏฐิเพราะอุปาทานสี่นี่กามุปาทานทิฏฐุปาทานสีระปตูปาทานและอัตวาทุปาทาน พงษามเขได้แก่โลภะกับทิฏฐิแต่ที่โลภะเป็นนั้นคือเป็นการมุปาทานแต่ถ้าทิฏฐุปาทานได้แก่ทิฏฐิสีระพตุปาทานก็ได้แก่ทิฏฐิอัตตวาทุปาทานก็ได้แก่ทิฏฐิแต่มันทิฏฐิคนละอย่างถ้าหากว่าทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในความเห็นผิดมีนิยตามิจฉาทิฏฐิแล้วก็ทิฏฐิ62เป็นต้นใช่ไหมในนิยตามิจฉาทิฏฐิเนี่ย กับทิฏฐีหกสิบสองก็คือกลุ่มทิฏฐินั่นแหละนั่นแหละคือทิฏฐุประธานหมดเลยคือไม่ใช่ก <c oughs> ้อนนั้นเป็นกรารโ ม, มปาทานไปถ้าไม่มีเอาทิ <c oughs> แหมไม่ไม่ค่อยรู้กต <c oughs> <c oughs> ิกาไอกติกาเขาเนี่ยใช่หมใช่หคืออย่างนี้ สมมตินะในโลพาเนี่ยใช<า>่ไหมถ้าถ้าไปพูดถึงถ้าไปพูดถึงในเรื่องของโลพาเนี่ยเนี่ยถามว่ามีโลพาเจตสิกใช่ไหมแล้วเจตสิกอื่นทำไมไม่พูดด้วยล่ะทำไมไม่พูดหรอฉะนั้นเวลาทีนี้คําว่าอธิบายเนี่ยนะเวลาไปคําว่าอุ ป, ปาทานเนี่ยโลภาก็เป็นอุ ป, ปาทานได้ ทิฏฐิก็เป็นอุปาทานได้แต่ทิฏฐิเป็นอุปาทานได้สามแต่โลภะเป็นอุปาทานได้หนึ่งคือการมมุปาทานเพราะโลภะอย่างอ่อนเป็นตัณหาโลภะอย่างแก่เป็นอุปาทานแต่หมายถึงกามมุปาทานหมายถึงกามมุปาทานเย่าะเลิดไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปแปะอย่าย่อธิบายเองเอางี้ดีวกว่า แล้วกามุปาทานทำไมไม่เอาทิฏฐีด้วยล่ะพอบอกกามมุปาทานนี่ไม่ยอมเอาทิฏฐีแต่พอทิฏฐุปาทานฮะพอทิฏฐุปาทานนี่เม่จะเอาจะเอาโลฟ้าวิ่งมาด้วยทีนี้นะพอบอกว่าทิฏฐุปาทานเนี่ยถ้าไปดูในทางด้านของทิฏฐุปาทานเนี่ยนะเขาเน้นทิฏฐิท่านเน้นทิฏฐิทิฏฐิหลังยึดมั่นทิฏฐิแรก ไม่ใช่ว่าทิศฐิหลังยึดมั่นโลภะไม่ใช่ยึดมั่นทิศทีที น, ทนี้ทีนี้อีกประการหนึ่งนะถ้าไปบอกอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นอุปายาตเลยเอาขึ้นอุปปาเหมือนกั น, นเนี่ยเอาใช่ไหมใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอุปายาตรงทำได้แก่อะไรเดี๋ยวก็โลภะไปบวกเขาปายาตเขาเกจะไปกันอีกเยอะเพราะอุปปาเนี้แปลว่ามั่นใช่ไหม อุ ป, ปะเนี่ยอาทานก็คือการยึดก็แค่นั้นเองโดยสับใช่ไหมแต่แต่ทิฏฐิเนี่ยเขายึดได้ไหมได้แต่ทิฏฐิเกิดอยู่กับโลภะได้ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวอธิบายเวทนากับโลภะก็ตัวเดียวกันนี่มานะกับคู่โลภะเห็น ไ, ไหมถึงบอกว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นท่าศีลนะนะท่าศีลพรตูปาทานความยึดมั่นในข้อปฏิบัติที่ผิด อย่างคําว่าศีลศีลในที่นั้นเน่ยมาจากอะไรศีลพรตูปาทานเพราะยึดมั่นศีลแล้วก็ยึดมั่นพจนศีลและพจนนั้นด้วยเป็นอุปาทานด้วยจึงชื่อว่าศีลพรตูปาทานเพราะโคศีลเนี่ยนะปกติของโคปกติของโคนเป็นยังไงนั่นเขาเรียกปกติของโคเนี่ยมันยืนสี่ขาอย่างเงี้ยเป็ปกติของมันเงี้ยเนี่ยอย่างนี้คือเขโคศีลถ้าโควัด การปฏิบัติของโคโคมันปฏิบัติยังไงมันกินหญ้ามันกินหญ้าแต่มันเดินมันปฏิบัติกิจของมันยังไงอย่างนั้นเขาเรียกโควัดอาการประพฤติเยี่ยงเยี่ยงโคศีลโควัดอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นต้นเนี่ยนะเขาเรียกศีลแล้วพระโตปรารทานนี่ยึดมั่นในข้อปฏิบัติว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันมีความเห็นต่อไปบอกว่าจะสามารถพ้นทุกข์ได้ ด้วยอาการเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขนะี้เมื่อคิดหรือเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามความเห็นอย่างนั้นอันนี้ได้แก่ทิฏฐินี่เป็นทิฏฐิไม่มีโลภะคขาเน้นองค์ธรรมคือทิฏฐิแต่ทิฏฐิต้องเกิดจับโลภะไหมต้องเกิดจับโลภะแต่โลภะเด่นไหมห ร, หรือทิฏฐิเด่นนั้นเมื่อทิฏฐิเด่นจึงเอาจึงเรียกว่าทิฏฐุปาทานบ้างศีระพตุปาทานบ้าง ถ้าไปยึดมั่นอัตตาก็เรียกว่าอัตวาทุปาทานบ้างตรงนั้นเอาทิฏฐิมาเป็นตัวองค์ธรรมไม่ได้เอาตัวโลภะอ่าต่อจากคำว่าครั้งที่แล้วนะคำว่าอุปาทานอุปาทานได้แก่อุปาทานสี่เนคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีรพตุปาทานและอัตวาทุปาทานเห็นไหมในอุปาทานทั้งสี่อย่างนั้นอุปา บวกอาธานะเจ๊ะมะอุปาบวกอาธานะคําว่าอุปาทานเนี่ยอุปาทานสัตเนี่ยนะก็มาจากคาว่าเครื่องยึดมั่นคือกิเลสกล่าวคือจับไว้ไม่ปล่อยนั่นอย่างหนึ่งนะและอีกอย่างหนึ่งบอกว่าไอ้เครื่องยึดมั่นคือกิเลสกล่าวคือจับไว้ไม่ปล่อยเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของกามุปาทานคือเครื่องยึดมั่น วัตถุกรารมใช่ไหมถ้าว่ากรามอุปาทานก็คือเครื่องยึดมั่นวัตถุกรมเนี่ยพอลักษณะของอุปาทานเนี่ยคำว่ามั่นกับคําว่าอาธานะคือการยึดเนี่ยใช่ไหมยึดมั่นในอารมณ์ทำที่ยึดมั่นในอารมณ์เนี่ยวัจนธาติแสดงว่าอย่างไงในปฏิจจัตทัพอุปาอุปาธิอุปาทีาทยนตีติอุปาทานานี้ว่าไง ทำเราใดย่อมยึดมั่นในอารมณ์ฉะนั้นทมเหล่านั้นชื่อว่าอุปาทานแปลว่ายึดมั่นในอารมณ์6กใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์พูสังอาทิยันตีติอมุญจคาหังไคหันตีติแล้วอุปาทานนนี่ก็บอกว่าทำเราใดยึดถืออย่างแรงกล้าฉะนั้นทำเหล่านั้นชื่อว่าอุปาทานอุป า, า, นนะาทานเหมือนถ้านในปริเชตที่เจ็ดท่านยกงูใช่ไหม จำได้ใช่ไหมท่านในปริเทตที่เจ็ดเนี่ยเอางูมาเป็นข้อเปรียบเทียบงูขบกัดเขียดหรือกบเนี่แล้วก็ยึดไว้อย่างแน่นไม่ยอมปล่อยชั้นใดอ่าง้สภาพของอุปาทานหมายถึงโลภะและทิฏฐิที่เข้าถึงสภาพของความเป็นอุปาทานก็เป็นอย่างนั้นเออแต่นี้ก็เริ่มจะมองเห็นที่ได้ฟังเรื่องราวมาดัทางที่ได้กล่าวนึกไปนึกมาพอได้ฟังเรื่องอดีต ่ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ก็เลยมองทันทีเลยว่านี่เป็นสัตตาว า, าทิติแปลประการต่อมาคือชาติดสโรนินึกโดยระลึกชาติได้พวกทิฏฐิประเภทนี้นึกยังไงรู้ไหมบางคนระลึกชาติได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติพอนึกอย่างนี้ได้ก็เลยบอกเออเมื่อก่อนเนี่ยเรานี่แหละที่ได้มาแล้วในชื่ออย่างนี้บอกโอ้แต่ก่อนเรามีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้มี วันหน้าอย่างนี้ผิวคลันอย่างนี้เป็นต้นนะนะมีตระกูลลักษณะอย่างนี้มีความเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้แล้วต่อมาก็มาเห็นในปัจจุบันโอ้ปัจจุบันเรามาเป็นในลักษณะเช่นนี้อะแบบนี้เป็นเที่ยงไหมอย่างนี้ก็เห็นว่าเที่ยงเหมือนกันเดียวนะแต่กลุ่มนี้ก็เห็นว่าเที่ยงเหมือนกันกลุ่มนี้คือเห็นเองแต่เห็นไม่ตลอดสายโทษของการไม่เห็นปฏิจจสมุปาทตลอดสายมันเป็นยังไงเห็นเวิ้บเวิ้เบลเบเนี่ยเป็นโทษเก็อีกทีนี้ประการที่สาม พวกราพีราพีพวกนี้พวกนึกเอาแต่ที่นึกได้พวกนึกเอาแต่ที่นึกได้เนี่ยคื อ, อยังไง ร, รู้ไหมในปัจจุบันมีความสุขใช่ไหมบอกเออปัจจุบันเราก็มีความสุขดีสะดวกดีเนี่ยไปมาตรงไหนก็สะดวกสบายโอ้อดีตคงสบายอนาคตเราก็ต้องเป็นเช่นนี้เที่ยงไหมเห็นไหมเที่ยงอยู่ไหมโอ้ความสุขมันเที่ยงบอกว่าเราก็พออยู่ได้เป็นสุขสบายในอดีตก็เป็นอย่างนี้และในอนาคต ก็จะต้องเป็นในลักษณะเช่นนี้ก็นึกตามที่นึกได้อะนึกได้แค่ไหนเอาแค่ตรงนั้นนึกเรื่องทุกข์ก็เอาแค่ทุกข์ตรงนั้นแล้วบอโอ้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นนะเขาบอกโอ้ยเอาทุกข์มามากก็ไม่เห็นทุกข์เท่าไหร่ปัจจุบันใช่ไหมก็ยังเว็ป่วยอ่ะเขป่วยก็ไปหาหมอถ้าพอทนได้เนี่ยฉีดยาเอ้ยพ่นยาเอ้ยก็พออยู่ได้ชีวิตก็สบายดีไอ้นึกเอาตามเท่าที่นึกได้อย่างกลุ่มนี้คือกลุ่มแต่นึกไปนึกมาแล้วสอดคล้องไง เป็นปัจจัยที่ที่เกิดไอ้ ก, กลุ่มเนี้ยคือนึกเอาตามเท่าที่นึกได้นี่กลุ่มหนึ่งนะส่วนไอ้ ก, กลุ่มหนึ่งพอกสุทธะตักกีโก้เนี่ยมันนึกเอาลอยลอยไอ้ ก, กลุ่มนี้นึกเอาลอยลอยไอ้นึกเอาลอยลอยนี่นึกเอายังไงรู้ไหมบอกว่านึกเอาเองว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าคณีเอาเองเบ็ดเสร็จเลยแต่เอยเนี่ยถ้าหากในปัจจุบันเป็นอย่างนี้อนาคตก็จะเป็นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย การนึกเอาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่านึกเอาลอยๆทีนี้ในกลุ่มของอุ ป, ปาทานที่เป็นทิฏฐุปาทานเนี่ยนะเครื่องยึดมั่นทิฏฐิที่เกิดขึ้นก่อนตามที่ได้ถือมาโดยความเห็นถูกแล้วก็ไปบอกว่าความเห็นของคนอื่นผิดอย่างเงี้นะฉะนั้นลักษณะของทิฏฐุปาทานจึงมีสองความหมายเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐิกับเครื่องยึดมั่นทิฏฐิเครื่องยึดมั่นคือทิฏ ทิฏฐูปาทานเพราะตัวยึดมั่นทิฏฐิอยู่บอกว่าทิฏฐิเบื้องปลายยึดเอาทิฏฐิเบื้องตน้นเพราะลักษณะของทิฏฐิเนี่ยมีหลายอย่างเนี่ยหลายอย่างยังไงเช่นว่าความเห็นความเห็นประเภทที่บางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าไปดูในเนี่ยในหลักสูตรเนี่ยท่านจะขยายเรื่องทิฏฐินี้ไว้ค่อนข้างเยอะนี้นะเขาเรียกว่าทิฏฐิเนี่ยนียทีนี้ พอบอกให้สังเกตอย่างนี้ว่ากามมุปาทานเนี่ยได้แก่โลภะที่ในโลภะแปดถ้าทิฏฐุปาทานได้แก่ทิฏฐิที่นอกจากสีระพตุปาทานและอัตวาทุปาทานถ้าสีระพตุปาทานก็หมายถึงธรรมชาติที่ยึดมั่นในการปฏิบัติที่ผิดคิดว่าการบิบดาทั้งตนนั้นเป็นเหตุแห่งการพ้นทุกข์ได้อันนี้องค์ธรรมก็ได้แก่ทิฏฐิอื่นกันใช่ไหมแต่ถ้ามองอย่างนี้เราจะเริ่มเห็นว่าไอ้คำว่าสีระพตุปาทานเนี่ยนีย ศีละในที่นั้นคือศีลศีลคือข้อปฏิบัติหรือข้อข้อประพฤติปกตินั้นๆของบัวและกัของสุนารเป็นต้นเนี่ยอย่างนั้นก็เรียกว่าศีลไอ้วัตตะตัวนั้นแปลว่าพรดพลดก็คือการสมาทานข้อปฏิบัตินั้นๆด้วยดีไม่ให้บกพร่องเลยอะมองเห็นไหมยังสรุปก็คือคําว่าศีระประตูปาทานความยึดมั่นศีลพลดนอกพุทธศาสนาคือความยึดมั่น ศีลพจน์ทั้งสองอย่างนั้นว่าเป็นทางหลุดพ้นจากวัตตาสงสารยึดมั่นอะไรยึดมั่นการปฏิบัติเยี่ยงโคการปฏิบัติเยี่ยงสุนัขด้วยศีลและด้วยพจน์ศีลนี่คือปกติใช่ไหมปกติของโคปกติของสุนัขส่วนพจน์หรือคำว่าวัตตาในที่นั้นเป็นการสมาทานและสมาทานบ่อยๆ อย่างนี้เขาเรียกว่าแล้วเข้าใจว่ า, าการปฏิบัติของตนเองนั้นจะเป็นปัจจัยแก่การพ้นจากสังสารวัฏถ้ามีความเห็นอย่างนี้เป็นศีลพัตโตปาทานองค์ทำได้แก่ทิฏฐิเจตสิกแต่มีข้อปฏิบัติที่ผิดมีข้อปฏิบัติที่ผิดคิดว่าการปฏิบัติของตนจะนําเป็นปัจจัยให้ความพ้นทุกข์ได้ได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิกตะสัมพยุตเจตสีนะแค่นั้นจะเป็นโลภะดวงที่หนึ่งก็ได้ ถ้ามีข้อปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นศีรับพตูปาทานจะเป็นโลพาที่สองเป็นตัวขับเคลื่อนทําให้อวัยวะน้อยใหญ่เปลี่ยนไปก็ได้จะเป็นโลพาดวงที่ห้าดวงที <t ili> <t ili ่หกก็ได้ฉะนั้นดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่ห้าดวงที่หกนี่แหละที่เป็นศีรับพรตูปาทานใช่ไหมไอเจตนาที่เป็นเป็นกป็นเครื่องสมาทานนั่นน่ะสมาทานก็สมาทานผิดและปฏิบัติก็ปฏิบัติผิดเพราะปฏิบัติ เยี่ยงโคและเยื่ยงสุนักเป็นต้นแล้วก็สมาทานบ่อยๆดแล้วก็ถือความการปฏิบัติตัวเองวันนี้แหละเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความหลุดพ้นอ่ะถ้าปฏิบัตินอกจากนี้นอกจากโควัดนอกจากสุนักวัดอ่ะแต่เป็นการปฏิบัติไอ้สมมติว่าแมวอย่างเห็นปานปฏิบัติของแมวก็เอาแมวมาปฏิติเห็นเออน่าจะอย่างนี้เป็นปัจจัยการพ้นทุกข์อย่างนี้เป็นได้ไหมแล้วก็ไปเข้าใจว่าจะพ้นทุกข์ได้ด้วย ข้อปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นต้นฉะนั้นในการการการปฏิบัติในลักสนิทอย่างเงี้ยจริงๆนึกว่าไม่มีใช่ไหมแต่เห็นไหมว่ามีเออมีจริงๆเลยการปฏิบัติลักษณะไอท้ทิฏฐิที่เกิดขึ้นปาราลบข้อปฏิบัติแล้วก็เข้าใจว่าพ้านทุกเนี่ยไอ้เนี่ยใช้อันนี้ไม่ใช่เป็นไปตามพระธรรมคําสอนไม่พูดถึงในเรื่องทิฏฐิเชื่อไหมว่าเราบางครั้งบางพบบางชาติเคยทํามานะ เชื่อไหมเราเป็นอย่างนั้นจริงๆบอกว่าตาที่ยาวนานมาเนี้ยตาว่าบางทีเรายังเคยชื่นชมเลยใช่ั้ยแอบชื่นชมการกระทำเช่นนี้ว่าโอ้ดีนะพวกนี้ถ้าถ้าลักษณะอย่างนี้ก็จะเริ่มมองเห็นอประการต่อไปแต่เนี้ยไอคำว่าอั ต, ตาวาทุปาทานธรรมชาติที่ยึดมั่นในรูปนามขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนด้วยอำนาจขอ ง, ด, อของด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิมีม้เท่าไหร่ ในหลักสูตรเนี่ยอ่านกันไหมอ่าเท่าไห้าสี่ยี่สิบใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าสักยอิทิยี่สิบทีนี้คำว่าอัตวาทุปาทานเนี่ยเนะสภาพที่ยิ่งใหญ่ภายในเหล่าสัตว์หนึ่งหนึ่งที่บุคคลยึดมั่นด้วยความคาดคะเนเขาเรียกว่าอ at ัตตาอัตตาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มหาชนในโลกรู้จักว่าสัตว์บ้าง บุคคลบ้างชีวะบ้างแตถาคตะหรือโลกบ้างซึ่งดิเรีต่างๆได้สมมุติว่ามีพระเจ้าเนรมิตขึ้นบ้างเกิดขึ้นโดยอาศัยพระเจ้าบ้างเที่ยงแท้เสมอบ้างเที่ยงแท้บางอย่างบ้างขาดสูญบ้างนี่นะเครื่องยึดมั่นที่ทำให้เราสัตวนะ์นั้นนะกล่าวถึงอัตตาอัตตาคือตัวตนนี่นะเขาเรียกว่าอั ต, ตาวาทุ ป, ปาทานหมายถึงสักยทิฏฐิยี่สิบอย่างสักยทิฏฐิยี่สิบอย่าง ทีนี้ไอ้คาว่าสักกายะทิฏฐิยี่สิบอย่างเนี่ยคาว่ายึดมั่นเนี่ยมีความหมายว่ายึดยังไงยึดอย่างเหนียวแน่นไอ้คาว่ายึดมั่นนี่นะยึดอย่างเหนียวแน่นเลยอัตวาดุบาดานเนี่ยนะในบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นสักกายะทิฏฐิคืออะไรฟังกันนะเออเดี๋ยวไปดูสูตรดีกว่านะแล้วจะได้เข้าใจไอ้คำว่าตรงนี้มากขึ้นเพร่อที่ใบที่ได้นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจในตรงเนี้ใช่ไหมถ้าไปดูในคําสอนเนี่ยนะพพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอก สักกายทิฏฐิคืออะไรปุตชนผู้ไม่มีการสดับในโลกนี้บ่าปุตชนที่ไม่มีการสดับคำว่าปุตชนเนี่ยสรุปง่ายๆคือท่านแยกเป็นสองกลุ่มใชม่อันท่าปุตชนกับกรัลรยาณนปะุะปุตชนถ้าอันท่าปุตชนเนี่ยมืดบอดแท้ๆก็เหมือนกับว่าภารยะภารยะก็คือคนพานคนโง่ะนะอันนั้นเขาเรียกปุตชนแท้บอดมืดมืดสนิทนะ พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสรงบง่ายๆเลยนะตัดข้อความนิดผู้ตัชนในโลกนี้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพาริยะไม่ฉลาดในธรรมของพาริยะไม่ได้รับแนะ น, นําในธรรมของพาริยะไม่ได้รับแนะนําแนะนําแนะนำสองอย่างสังวรวินัยกับป่าหานวินัยไม่มีกลุ่มนี้กลุ่มไม่ได้แนะนํำนะ เช่นไม่มีสีละสังวรไม่มีไม่มีสีละสังวรไม่มีวิริยะสังวรไม่มีคันติสังวรไม่มียานนะสังวรกลุ่มนี้คือกลุ่มไหนกลุ่มไม่ได้รับแนะนำในวินัยของพัทธิยะนี่คือกลุ่มไม่รับแนะนำคือกลุ่มนี้และอย่างหนึ่งก็คืออะไรนะสังวรวินัยกับประธานวินยัยไม่ได้นับแนะนำในต่ทางข้าปาระธานวิขำพระน้ประธานสมุเฉทประาน เป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มนี้ไม่มีวินัยเนี่ยกลุ่มนี้ไม่มีวินัยของพระอริยะศีลสังวรได้แก่อะไรได้แก่อะไรดิศีลสังวรได้แก่ได้แก่ปาติโมกสังวรศีลเนี่ยคือศีลสังวรใช่ไหมพวกกลุ่มศีลสังวรเนี่ยสังวรก็ชื่อว่าศีนเนี่ยสังวรก็ชื่อว่าศีนเนี่ยควาาไอเจตสิกก็ชื่อว่าศีนสังวรก็ชื่อว่าศีนใช่ไหมเป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือไม่มีพวก สังวรวินัยเนี่ยไม่มีไม่มีศีลสังวรถ้ากลุ่มพวกวิริยะสังวรนี่เป็นชื่อของอาชีวปริสุทธิ์ที่ศีลคือเพียนถูกต้องเลยนะถ้าขันตีสังวรก็เป็นชื่อของทนทนต่อหนาวร้อนเป็นต้นทนต่อความเจ็บใจทั้งหลายนะทนแบบไม่โกรธนะย่างนั้นถึงจะเป็นขันตีสังวรเขาด่าแล้วไม่โกรธเนี่ยอันนี้มีคันตีสังวรถ้าเขาด่าแล้วโกรธแต่ไม่ตอบเนี่ยนี่ไม่มี แบบแค้นในใจแต่ไม่พูดอย่างนี้ไม่มีกลุ่มนี้คือไม่มีขันติสังวรนะเขาไม่เรียกว่าเขาไม่เรียกว่าขันติหรอกเพราะมันไม่ได้อดทนแล้วเพราะมันโกรธไปซะแล้วทีนี้ส่วนญาณะสังวรนี่คืออะไรไอตัวปัจญญาสันนิสิตาสินั่นแหละไม่ฉลาดในธรรมของไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษไม่ได้ฉลาดในธรรมของบุรุษไม่รับแนะนําในธรรมของสัตว์บุรุษเนี่นะย่อมกําหนดหมายตรงเนี้ย ย่อมกําหนดหมายรู้ธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินนี่นะโดยความันหมายรู้ธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินแล้วย่อมสําคัญหมายธาตุดินย่อมสําคัญหมายในธาตุดินย่อมสําคัญหมายโดยความเป็นธาตุดินย่อมสําคัญหมายธาตุดินว่าเราย่อมยินดีซึ่งธาตุดินอันนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้ให้สังเกตดูนะว่าในกลุ่มเนี้ยบางทีที่บอกว่าปุตุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ย ไม่มีการสดับในโลกนี้ย่อมเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาสมมุติว่าถ้าไปดูดินเนี่ยถามว่าในร่างกายเนี่ยสมมุติกําหนดดูบอกเป็นเห็นเป็นสัตว์ใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชีวะแล้วก็เป็นเป็นเป็นเป็นชีวะเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชีวะเป็นแต่ถาคตาเป็นต้นเนี่ยก็ไปเห็นโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งๆั้งที่เป็นดินเป็นต้นเนี่ยในสติมันเหมือนบอกว่ากําหนดยังไงบอก หนึ่งไม่รู้ลักขนะปัทวีสองไม่รู้ ส, สัสภาระปัทวีสมไม่รู้อารัมณะปัทวีและสี่ไม่รู้จักสมมุติปัทวีถ้ากลุ่มปุตุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยแยกดินไม่ออกพอแยกดินไม่ออกเนี่ยเขาบอกว่าย่อมเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาย่อมเห็นอัตตาที่มีรูปเห็นรูปในอัตตาเห็นอัตตาอยู่ในรูป แม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยาเดียวกันเช่นเห็นอัตตามีรูปบ้างย่อมยึดมั่นอัตตาของเราว่าเป็นรูปนั้นกลุ่มหนึ่งเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาย่อมยึดมั่นรูปดํารงอยู่โดยความเป็นโดยอาศัยอัตตาอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้ตรงนี้เห็นยังไงยกตัวอย่างเช่นว่าเคยไปตรึกพิจารณาเห็นลักษณะปฐวีโดยความเป็นแข่นแข็งเป็นลักษณะไหม ถ้าไม่ได้เห็นอย่างนั้นก็แปลว่ามันตะเลิดแล้วใช่ไหมมันไม่ได้เห็นธาตุดินโดยมีลักษณะมีความแข็งอ่อนเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยปฐวีธาตุอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่ า, วายกตัวอย่างเช่นว่าปฐวีคือผมปฐวีคือขนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจรรยไตตับพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเนี่ย ดินคือผมดินคือขนดินคือเล็บดินคือฟันดินคือเนี่ยศาสารภาัมพระปถวีนี่ก็ไม่ได้แยกแยะใช่ไหมนี่ผุ้ดชนที่ไม่ได้สดับก็ไม่ได้แยกแยะเช่นอัจชัตาปัทวีเคยรู้ไหมว่าดินคือผมภายในดินคือขนภายในดินคือเล็บภายในไม่ได้เห็นอย่างนั้นใช่ไหมหรือดินคือผมภายนอกดินคือขนภายนอกแบบเป็นภัยรัปถวีก็ไม่รู้อัจชัตาปัทวีหรือภัยรัปถวี ซึ่งอยู่ภายในหรือภายนอกส่วนปัทวีอีกอย่างที่บอกอารามณปัทวีหรือที่เรียกว่านิมิตปัทวีเนี่ยเข <_ AD D> ไม่ได้รู้ว่าไอ้ปัทวีที่เอามาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอย่างนี้เขาเรียกว่าอารามณปัทวีนะเช่นบริกรรมว่าปัทวีกสินังปัทวีกสินังเนี่ยไม่ได้แยกแยะใช่ไหมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้กําหนดหมายรู้ปัทวีอย่างยกตัวอย่างนะเขาบอกว่าเทวดาบางกลุ่มใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างพรมเนี่ยนะ พรหมอย่า ง, างสมมุติเราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นี่นะเจริญปฐวีกสินได้ฌานจากการกําหนดเจริญปฐวีกสินพอได้เบดเสร็จแล้วไปเกิดเป็นพรหมเขาเรียกปฐวีเทวดาเห็นไหมเอาเอานิมิตหมายว่าท่านนี้มาสายดินเนี่ยมีดินเป็นอารมณ์ทําให้ได้มาเป็นพรห ม, มเลยเรียกว่าปฐวีเทวดาใช่ไหมคือชื่อของแกชื่อของท่านนะโอ้ชื่อดินเน่ะ เ, ออเทวดานี่ชื่อชื่อดินลงเลยชื่อปัทวีเทวดาท่านเนี้ยถ้าถามว่าเมื่อเมื่อไปยึดอย่างนั้นเน่ยยึดมั่นผิดอีกใช่ไหมทีนี้ถ้าหากบอกว่าปุตโธชนนั้นย่อมหมายรู้ปัทวีเป็นปัทวีย่อมหมายรู้ส่วนแห่งปัทวีขั้นว่าตามบุหารของทางโลกแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสไอตัวที่ทีเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะไม่ได้กําหนดรู้ด้วยยาตาปริญญาไม่ได้แยกแยะพิจารณาว่าดินเนี่ยใช่ไหม สภาพของดินเนี่ยไหมมันประกอบไปด้วยธาตุดินธาต้น้าําธาตุไฟธาตุลมแล้วสีของดินเป็นยังไงกลิ่นของดินเป็นยังไงรสของดินเป็นยังไงโอชาของดินเป็นยังไงแล้วก็ดินเหล่านี้มาสมมุติว่าเป็นเสายังไงมาสมมุติว่าเป็นบ้านยังไงมาสมมติว่าเป็นมนุษย์งงมมเป็นคนที่มีชีวิตไม่มีชีวิตใช่ไหมดินสมม่วนนี้สมมุติว่าเป็นสัตว์นรกดินส่วนนี้สมมุติว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานดินส่วนนี้สมมุติว่าเป็น เป็นอสูรากายสมมุติว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยอยอหมูหนีจากดินได้ไหมเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยเขาให้ออบอกเอ้าวน่จริงให้หนีจากดินหน่อยเ้อะหนีได้ไหมท่านว่าหนีได้ไหมจะหนีจากธาตุดินเนี่ยหนีได้ไหมใช่หรือไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมมันหนีจากธาตุดินไม่ได้มองเห็นใช่ไม้มตอนเนี้ยบางคนหนีได้เหมือนกันนะไปเป็นอรูปพรหมหนีได้แพ้วับเดี๋ยวเดีวโดดกลับมาอีกแล้วตกลงมาใส่ดินอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ย เขาเรียกว่าหนีดินไม่พ้นอย่าแปลกใจเลยที่ไปเข้าใจดินผิดพลาดเนะี่ยเขาเรียกวิบปริตมนุการในดินนะ่ยนะเพราะไม่ได้กําหนดรู้ด้วยยาตปริญญาไม่ได้เห็นปัจจัยของดินและไม่มีตีระนปริญญาเพราะไม่เห็นความเกิดดับของดินไม่มีปหาระนปริญญาเพราะไม่ได้ชั้นละชันทราคะในดินอธิบายได้อย่างฉะนั้นอัตราที่เกิดในยจะแปลกเห็นไหมว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆ ฉะนใั้นรายการสําคัญดินว่าเป็นพ่อไม่แปลกแล้วแต่เนี้ใช่ไหมสาคัญดินว่านั่นโลกเราสําคัญดินวันเนี้ยพ่อเราแม่เราน้องเราสําคัญดินว่านี่คือเราเริ่มเหม็นนี่อย่างแต่เนี้ยไอการสําคัญมั่นหมายในดินผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเช่นนี้ทีนี้บางกลุ่มไม่ใช่อย่างนั้นไอดินอีกอย่างหนึ่งนะเคยสําคัญแผ่นดินผิดพลาดไหมเนี่ยนะที่เรา สำคัญโลโลหะทั้งหลายเราเนี่ยเหล็กของเรานะใช่ไหมเพราะไม่ได้ก๊มพวกนี้ไม่ได้รอบรู้ทั้งนั้นเลยเมื่อไม่รอบรู้เนี่ยวิปริตแน่นอนในดินแล้วไฟเอ่ยน้ำเอ่ยลมเอ่ยไม่ต้องพูดถึงแต่ถามว่าพอบอกแค่ดินนะคิดดินได้ครึ่งเดียวส่วนดินลมน้ำไฟไม่ได้ไปคิดต่อเอาไว้ในตำรา ตอนนี้เริ่มมองเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสำคัญมั่นหมายในดินผิดพลาดนเป็นอย่างนี้จริงๆทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็ว่าส่วนนะคาว่าหมายรู้เอาส่วนแห่งปฐวีโดยความเป็นต้นบอกว่าโดยความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นชีวะเป็นต้นเนี่ยนะปุตุชนเนี่ยเป็นเหมือนใครอปุทุชนเหมือนใครดีตัเนี้เหมือนคนบ้าได้ยัง เพราะเป็นสำคัญมั่นหมายว่าดินนั้นโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเหมือนหรือยังแต่นี้เริ่มจะเหมือนคนบ้าขึ้นมาแล้วใช่ไหมถ้าเรามองตรงเนี้ยผู้ทุชนเหมือนคนบ้าแล้วเหมือนคนบ้าย่อมยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ไปยึดผิดๆกันอย่างนี้ไหมหนึ่งเพราะไม่รอบรู้ในลักษณะปฐวีไม่รอบรู้สาสตรสามภาระปฐวีไม่รอบรู้อารามณป์ปฐวีไม่รอบรู้สมมุติปฐวี ไม่รอบรู้ด้วยปริญญาสามทั้งปฐวีทั้งสี่ประการเนี่ยนะพอไม่รอบรู้แหละที่จะไปเต ด, ดอยู่ไม่แปลกไม่ประหลาดถ้าจะเจริญปฐวีกสินก็จเจริญผิดก็จะไปยึดมั่นในดินแล้วก็ไปสําคัญมั่นหมายในปฐวีกสินนั้นว่าเป็นเราเป็นของของเราเราอยู่ในปฐวีกสินนั่นแหละปฐวีกสินนี่อยู่ในเราเราเป็นอันเดียวกับปฐวีกสินปฐวีกสินเป็นอันเดียวกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะนะ เน้นแต่จะไปทํากรรมฐานอะไรก็ผิดพลาดหมดแหละเพราะว่าเป็นคนที่ไม่กําหนดรู้ไม่รอบรู้ด้วยปริญญาสามเน้นปุถุชนเหมือนคนบ้าไหมหนึ่งไม่รอบรู้รักขณะปฐวีสองไม่รอบรู้สาสสัมผัสราปฐวีสามไม่รอบรู้อารามนาปฐวีหรือนิมิตปฐวีไม่รอบสี่ไม่รอบรู้สมมุติปฐวีที่เขาสมมุติด้วยความเป็นบ้านเป็นเหล็กเป็นทองแดงเป็นอะไรต่างๆเป็นหนังสือเป็นเนี่ยนะ ก็เลยไม่สำคัญมั่นหมายที่ถูกต้องไปสำคัญมั่นหมายแบบปุถุชนที่ไม่ได้สะดับในโลกนี้ก็สำคัญมั่นหมายในดินผิดพลาดว่านังสือของเราโต๊ะของเราเสื้อของเรามองเห็นไหมท่านมองเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆปากกาของเราสมุดของเราแ ท, ท้จริงไปสำคัญในสมมุติปัทถวีผิดพลาด ไม่มีลักษณะปฐวีไม่มีสสารพาราปฐวีไม่เข้าใจนิมิตปฐวีสมมุติปฐวีแล้วท่านเหล่านั้นจะปฏิบัติในดินผิดพลาดไหมผิดพลาดอยู่แล้วไม่ได้กําหนดรู้นี่โทษของการไม่กําหนดรู้โทษของการไม่รอบรู้โทษของการไม่รอบรู้บางทีก็บอกว่ายึดมั่นเน่ยยึดยังไงก็บอกว่าบางครั้งเราก็พูดถึงรู ป, ปกายว่าวันนี้เราตัวหนักหรือเราตัวเบานี่เห็นรูปไหม เห็นรูปคือเห็นปฐวีธาตุัวเป็นอัตตาอีกแล้วเป็นตัวเป็นตนอีกแล้วโอตัวหนักยังวันนี้วันนี้ตัวเบายังใช่มบางทีก็ไปพูดถึงสภาวะธรรมอื่นนะหรืออัตตาที่พ้นจากสภาวะทวันนี้กายของเราหนักหรือกายของเราเบาเนี่ยไปเห็นอัตตาอยู่ในปฐวีอีกแล้วไปเห็นอัตตาอยู่ในปฐวีอีกแล้วเห็นตัวเห็นตนไปอยู่ในดินอีกแล้วหรือโยถามว่าวันนี้ไอ้ความหนักเนี่ย ความหนักเนี่ยมันอยู่ในเราเนะหรือความเบาอ่ะก็อยู่ในเราเอ้าไปยึดเอาปัทวีซะแล้วว่าปัทวีปัทวีธาตุนี่ยในอัตตาซะอีกแล้วหรือบางทีก็พูดวันนี้เราตั้งอยู่ในความหนักเฮ้ยวันนี้ยเราเนี่ยตั้งอยู่ในความหนักเราก็ตั้งอยู่ในความเบาอย่างนั้นเอาไปเห็นอัตตาอยู่ในปัทวีซะอีกแล้วเห็นอัตตาในทวีนั้นความเป็นไปของสักยญาติถิเนี่ย มันเวียนสี่รอบด้วยอาการอย่างนี้ไม่แปลกเลยใช่ไหมมันเวียนแบบเนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคิดยังไงเคยกินอาหารแล้วมันอร ե ตอร่อยไหมใช่ไหมพออร ե ตอร่อยเนี่ยมันสุขไหมเวลากินอาหารที่ไม่อร่อยเป็นทุกข์โอ้โหวันนี้บอกกนะัเราเป็นสุขวันนี้เราเป็นทุกข์เนี่ยเห็นเวทนาเป็นอัตตาซิกแล้วเห็นเวทนาเป็นอัตตาสิกแล้ว บางทีก็ไปเห็นว่าอัตตามีเวทานาเนี่ยไอ้ความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันอยู่ในตัวเราเน S, ี่ใช่ไหมไอ้ความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันอยู่ในตัวเราเนีเห็นเวทนาเป็นอัตตาสิ่งละบางทีก็ไปเห็นบอกว่าวันนี้เราตั้งอยู่ในความสุขไอ้ตัวเราเนี่ยไปตั้งอยู่ในความสุขหรือตัวเราเนี่ยตั้งอยู่ในความทุกข์หรือบางทีก็ไปเห็นความทุกข์นี่ยตั้งอยู่ในเราไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยสัญญาสัง ข, า, งขารวิญ ญ, ญาณก็เหมือนกันเนี่ยนะเคยพูดว่าเราเห็นไหม เราเห็นเนี่ยเห็นจากควิ ญ, ญาตนเป็นหนาตาคือเราเห็นใช่มการเห็นนี่เป็นของเราลักษณะอย่างนี้เขาถึงบอกว่าไอลักษณะของความเข้าใจผิดในดินในน้ำในไฟในลมเป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอั ต, ตวาทูปาทานก็่างนั่นนี่คือกลุ่มสกากยทิฐิเริ่มจะมองเห็นหรอยังคําว่าสกายทิฐิคืออะไรจริงๆโทษของการไม่แยกแยะใช่ไม โทษของการไม่แยกแยะไม่รอบรู้ในลักษณะไม่รู้ในาศาสตร์สำพาระไม่รู้ในอารมณะแล้วก็ไม่รู้สมมุตปิปฐวีเป็นต้นก็คือไปสำคัญดินผิดพลาดเมื่อสำคัญดินผิดพลาดนี่เสียหายแล้วอัตวาทุปาทานก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มมิจฉาทิฏฐิถามว่าในปัจจุบันเนี่ยอัตวาทุปาทานเนี่ ย, าาน เ, นยเกิดขึ้นกับอย่างเราเราไหมเกิดกด้วยเหต ไม่รอบรู้นี่โทษของการไม่มีปริญญาสามเป็นอย่างนี้นะเขาถึงบอกว่าปูตุชนเนี่ยนะปูตูชนนั้นกำหนดหมายเอาแผ่นดินโดยโดยสัญญาที่วิปลาสเนี่ยก็จะสำคัญว่านั้นะไอตัวที่เข้าไปสำคัญจริงๆเนี่ยคือตัวไหนตันหาเข้าไปสาคัญส่วนหนึ่งถูกบางกลุ่มก็มาณสำคัญส่วนหนึ่ ง, ง, ลนะนนงแล้วก็ทิศทิ ท, ท, ทิที่มีกำลังนั่นเอง นั้นถ้าหากว่ากล่าวในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นคําว่าพระพุทธเจ้านี่แสดงแสดงเกี่ยวกับในเรื่องต่างๆเหล่านี้เขาไว้เนี่ยต้องการที่อยากให้กําหนดหมายหรือรอบรู้นั่นเองถ้าบอกว่าผมขนเล็บฟันอย่างยกตัวอย่างในคมำพิเศษสุทธิมากก็บอกว่าปัทวีธาตุปัทวีธาตุภายในเป็นเชไหนปัทวีธาตุภายนอกเป็นเชไหนอย่างเงี้ยถ้าปัทวีธาตุภายในคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นใช่ไหม ถาปฎปัทวีธาต์ภายนอภายนอกแหละเช่นเหล็กเออยโลหะเออยดีบุกเออยเงนะี่ะมุกดาแก้วมณีแก้วไบทูนเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างนั้นเขาเรียกปัทวีธาต์ภายนอกผู้ตุชนก็สําคัญดินว่าดินนั้นเป็นของเราเพางั้นคนอื่นเป็นดินว่าดินของคนอื่นเนะ่ยน่ะก็สําคัญในลักษณะอย่างเนี้เราเป็นดินดินเป็นของเราคนอื่นเป็นดินดินเป็นของ คนอนอื่ถ้ามองเห็นคนอื่นปุ๊บเนี่ยไม่สําคัญมั่นหมายวันนี้คือดินไหมก็เป็นลักษณะปฐวีก็มีสสัมภาระปฐวีก็มีและในนั้นเป็นนิมิตอารมณะปฐวีก็มีและเป็นสมมุติปฐวีก็ได้เหรอเคยสําคัญมั่นหมายอย่างนี้ไหมถ้าเราไม่ได้รอบรู้อย่างนี้ก็แยกไม่ออกใช่ไหมจริงๆอะเดินเดินมาเนี่ยอที่ชื่อเน่ยเป็นสมมุติ สมมุติดินนี้ว่าอยอมหมูสมมุติยินนี้ว่าอยอมสุรีสมมติดินนี้ว่าเป็นพระเนี่ยนี่สมมติดินขึ้นมาแล้วว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ น, นี่มันไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นเน่ยมันมันมันไม่ติดแค่มันติดซะแล้วติดสมมุติเลยวิปลิตแล้วปุถุพ่อภายนอกอะตัวเราเนี่ยแล้วอันนี้คือดินน้ำไฟลมเนี่ยผมคนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยี่ยในกระดูกเป็นต้นแต่ที่เป็นภายในของคนอื่นกับอมคนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่เป็นภายนอก แล้วก็ลักษณะของดินจริงๆคือลักษณะที่แข่นแข็งเป็นลักษณะเคยเคยเคยตรึกอย่างนี้ไหมเจ้าอย่างนี้เขาเรียกปุตุชนน่ไม่ได้กำหนดรู้ดินภายในก็สาคัญดินภายในด้วยอำนาจของตันหาบ้างมานะบ้างทิถีบ้างพอไม่ได้กำหนดรู้ปฐวีภายนอกก็ไปสำคัญมั่นหมายด้วยตันหาบ้างมานะบ้างทิถีบ้างปุตุชนนี้ยังฉันทราคะให้เกิดขึ้นในผม ยังฉันทราคาเกิดขึ้นในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกพอไปสำคัญมั่นหมายก็เลยไปเข้าใจว่าผมดีไม่ดีแต่ไม่ได้สำคัญว่าปฐวีคือผมมันประกอบด้วย8รูปแล้วถ้าสาวเข้าไปลึกๆกับวันในผมนั้นมีสี่สิบี่รูปมันไม่ได้แยกอย่างนั้นเลยไม่ได้แยกเลยมีกายะทัสสะกักราบสิบรูป มีภาวะท่าศักกระลาบอีกสิบรูปเห็นไหมมีเกิดจากจิตอีกแปดเกิดจากอาหารอีกแปดเกิดจากอุตตุอีกแปดรวมเป็นสี่สิบสี่รูปเลยมีใครแยกขนาดนั้นไหมไอ้ที่ไม่แยกอย่างนี้ก็สําคัญปัทเทวีคือผมว่าผิดพลาดว่าผมงามแล้วก็ผมผมไม่งามก็ไปเห็นด้วยความเป็นของงามบ้างเป็นของเที่ยงบ้างเป็นของสุขบ้างด้วยความเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นผมของเราเลยนะี เห็นยังไงเนี่ยเนี่ยก็เคาะไม่ปุถุชนสําคัญผิดโทษของการมีฉันทะลาคะเกิดขึ้นในผมไม่ได้แยกแยะให้ละเอียดละ อ, อ่อด้วยความเป็นกลุ่มของเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารว่ารูปเหล่านี้นั้นมีเหตุเป็นแดนเกิดเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยใช่ไหมเป็นรูปใช่ไหมถามว่ารูปเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยลระ วิญญาณปัจจญานามารูปังมีไหมวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดรูปโอ้เนี่ยแบบกรรมชรูปเหล่าเนี้มีวิญญาณเป็นปัจจัยใจนะก็ไม่ได้แยกแยะให้ละเอียดอย่างนั้นพอไม่ได้ตรึกตามในย่าของสายปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่มีญาตาปิปิญญาพอไม่เห็นตามในย่าของปฏิจจสมุปบาทด้วยความเป็นอ น, นิจังทุกขคานาตาก็ไม่มีตีรณปริญญา พอไม่รักฉันทราคาคือความยินดีพอใจในปัทวีธาทคือผมเป็นต้นก็ไม่มีปัญหาในะปริญญาก็แปลกไม่แปลกใยจยไม่แปลกใยหรอกที่มี <c oughs> อัตตวาทุปาทานในปัทวีคือผมสําคัญมั่นหมายในผมผิดพลาดจะมาให้หลงไหลไห ม, หไหมที่สุดจริงๆก็คือยินดีเพลิดเพลินพร่ำเพรือหลงไหลในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจไตเป็นต้นซึ่ง เป็นวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยปุตุชนเป็นอย่างนี้นั้นปุตุชนนั้นเนี่ยสำคัญปฐวีภายในโดยความสําคัญอันเกิดจากอํานาจของตันหาเป็นอย่างนี้อันนี้เพื่อเพือนะหรือทยานอยากในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นนะเนาะบอกว่าผมของเราพึงเป็นเช่นนี้ตลอดไปเนี่ย เอ้ยผมของเราคงเป็นอย่างนี้ตลอดไปขนของเราเป็นอย่างนี้ตลอดไปเล็บของเราฟันของเราพึงเป็นอย่างนี้ตลอดไปเนี่นะโดยในเป็นต้นอย่างนี้บอกว่าหรือว่าตั้งจิตไว้เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนที่ยังไม่ได้โดยในเป็นต้นว่าอาศัยศีลอาศัยพรหมจรรย์อย่างนี้บอกอาศัยศีลคือปกติอย่างนี้อาศัยพรหมจรรย์คือข้อปฏิบัติอย่างนี้ จะทําให้ตนเองมีผมอย่างนี้มีขนอย่างนี้มีเล็บอย่างนี้มีฟันอย่างนี้สําคัญมั่นหมายผิดไหมอย่างนี้ผิดหรือเปล่าคือประพฤติปฏิบัติโดยการเอาศีลมาเป็นข้อปฏิบัติเอาพจน์เอาพจน์ของตนเองเอาข้อปฏิบัติของตนเอ้งเลยแต่ปรารถนาผมอย่างนี้ขนอย่างนี้เล็บอย่างนี้ฟันอย่างนี้สรีละร่างกายอย่างนี้อย่างนี้คือปรารถนาดินเนี่ยปรารถนาดินอยากจะตกแต่งดินในอนาคตช่วยนึกไห ลักษณะอย่างนี้เพราะเขาบอกว่าเมื่อพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเราจะมีผมดําสนิทอ่อนนุ่มเป็นต้นเน่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าปุตุชนนั้นย่อมสําคัญปฐวีหมายถึงแผ่นดินภายในเนะ้ด้วยอำนาจของตันหาเนี่ยตันหาหรืออีกอย่างนะบางทีปุตุชนเนี่ยอาศัยสมบัติอาศัยความถึงพร้อมเนี่ยนะหรือความวิบัติแห่งผมเป็นต้นเนี่ยนะ แล้วก็ยังมานะให้เกิดขึ้นว่าเราดีกว่าเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาเนี่ยนี่ยสำคัญปฐวีคือแผ่นดินเนี่ยนะไอสําคัญปฐวีแผ่นดินภายในสําคัญมันเกิดจากอํานาจของมานะนี่กลุ่มนี้มานะไปสําคัญดินผิดพลาดใช่ไหมว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราแย่กว่าเขาเนี่ยสําคัญเอ้ยผมเราดีกว่าเขาขนเราดีกว่าเขาเล็บเราดีกว่าเขา ผมเราเสมอเขาเล็บเราเสมอเขาฟันเราเสมอเขาผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นของเราแย่กว่าเขาเนี่ยกลุ่มนี้สำคัญมั่นหมายด้วยอะไรด้วยมานะอี ก, กลุ่มนึงกลุ่มนี้ด้วยมานะส่วนอีกกลุ่มนึงย่อมยึดมั่นผมว่าด้วยอนานาจของทิฐิเนี่ยนะยึดมั่นผมว่าเป็นชีวะบ้างเป็นอัตตาบ้างเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าภายใน สำคัญในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ายึดมั่นด้วยอํานาจของทิฐิมองเห็นใช่ไหมว่าสําคัญมั่นหมายในลักษณะอย่างเงี้ยกลุ่มนี้เขาเรียกว่าสําคัญมั่นหมายปฐวีภายในเนี่ยแผ่นดินภายในอ่มีอะไรยึดมั่นด้วยอํานาจของทิฐิเข้าใจผิดว่าเออเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นชีวะเออว่างั้นนะเป็นอาตมันเลยว่าเป็นอาตมันว่างั้นเป็นสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์เนี่ยเป็นบุคคลเนี่ย เป็นสำคัญว่าเป็นอะไรเป็นกันลอกบากระแต่บางเป็นเป็นเราเนี่ยเป็นเราเนี่ย้ยแผ่นดินภายในคือเป็นของเราเป็นกองของเราเนี่ยทำไมผมเราขนเราเล็บเราฟันเราหนังเราตาเราจมูกเราเนี่ยนะเคยยึดแบบนี้ไหมล่ะนั่นแหละคือสําคัญมั่นหมายด้วยอำนาจของทิฏฐีนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าสตรีละอันนี้เนี่ยบาถามบอกว่าปุตตชนย่อมสําคัญปฐวีหมายถึงแผ่นดินภายในว่ะ ด้วยอำนาจของทิศเียนเนี่ยนะผูุ้ชนเยดมั่นปัทวีอันต่างโดยผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยด้วยพฤติกรรมว่าดูก่อนอวุโสงั้นก็ปัทวีธาตุภายในอันใดแลปัทวีธาตุภายในนั้นก็ปัทวีธาตุทั้งสองอย่างนั้นน่ยนะชื่อว่ามีปัทวีธาตุเหมือนกันอันนี้นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ไม่ใช่ของเราว่าของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราในชื่อว่าสำคัญปฏวีธาต์ภายในโดยโดยสำคัญที่เกิดจากทิฏฐินะถ้าถามบอกว่าบุคคลที่สำคัญปฏวีธาต์เนี่ยนะภายในเนี่ยนะบุคคลที่ยังฉันทราค้าให้เกิดขึ้นอายกตัวอย่างเช่นว่าให้เกิดขึ้นในเหล็กให้เพลิดเพลินพั่มเ พ, พ, มเพลือหลงไหลในเหล็กในโลหะเป็นต้นเนี่ยนะย่อมหวงแหนรักษาคุ้มครองเหล็กเป็นต้นโดยในเป็นต้นว่าเหล็กของเราโลหะของเราเนี่ย เขาเรียกว่าสําคัญปฐวีธาตุภายนอกกลุ่มนี้คือสําคัญปฐวีธาตุภายนอกเคยสําคัญจักรไหมล่ะมีจักรในกลุ่มที่มีจักมีเครื่องเย็บผ้าเย็บของสําคัญว่าของเราอ่ะอันนั้นเขาเรียกสําคัญดินภายนอกเรื่อํานาจของตันหาบนเพื้อ น, นี่ถ้ามีใครรักของเราไปใช่ไหมบนเพื้อนบนหาไหมอันนั้นคืออํานาจของตันหานี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ เอถ้าถ้าอีกกลุ่มหนึ่งถ้าสําคัญด้วยภายนอกนะว่าย่อมสําคัญปฐวีธาตุภายนอกด้วยอำนาจของทิฏฐิอย่างนี้เป็นต้นเนะี่ยก็ยึดมั่นอัตตานะเออย่างนี้พอจะมองเห็นไหมนี่เขาเรียกปุตุชนสําคัญผิดสําคัญปฐวีภายในบางสําคัญปฐวีภายนอกด้วยตันหาอย่างหนึ่งด้วยมานะอย่างหนึ่งและด้วยทิฏฐิอย่างหนึ่งนะก็ไปแยกแยะให้ละเอียดละออนเะถ้าอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะเข้าใจปฐวี เมื่อเข้าใจพัทวีแล้วความกังวลความผูกพันของบุคคลในดินเป็นต้นก็ก็จะไม่มีปุตุชนพิจารณาเห็นอัตตาในรูปอย่างไรคือปุตุชนบางคนในโลกนี้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณว่าเป็นอัตตาเขาย่อมพิจารณาเห็นอัตตาในรูปว่าคนนี้แหละเป็นอัตตาของเราอัตตาของเรานี้แหละมีอยู่ในรูปนี้ดังนี้โดยนายเป็นต้นว่าปุตุชนถือเอาเวทนาเป็นต้นก็ในลักษณะเดียวกันนวยนเอง ไอ้ตรงนี้คือทําตันหามานาทิฐิให้เกิดขึ้นนั่นเองมองเห็นแล้วนะพอเห็นไหมพอจะตรึกละเอียดได้ไหมตรงนี้ยทีนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวสรุปตรงนี้ก่อนนะปุตชนใดสําคัญปฐวีสําคัญในปฐวีสําคัญจากปฐวีสําคัญว่าปฐวีของเราปุตชนนั้นเพราะเหตุที่ว่าตนไม่อาจจะละตันหาหรือทิฐิที่อาศัยปฐวีได้ ก็เลยเป็นสำคัญมั่นหมายผิดพลาดปุตุชนนั้นถามว่าถ้ายินดีปะทวีก็ชื่อปัทวีเป็นสัจจะอะไรก็ชื่อว่ายินดีทุกนั้นถ้ายินดีปะทวีบุคคล น, นั้นชื่อว่ายินดีทุกใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะถาคตกล่าวว่าผู้ใดยินดีปัทวีผู้นั้นยินดีทุกผู้ใดยินดีทุกผู้นั้นจักไม่พ้นจากทุก ฉะนั้นถ้าหากเรายินดีในปัทวีก็คือยินดีทุกเมื่อยินดีทุกก็ไม่พ้นจากทุกทีนี้ปัทวีนั้นเป็นที่ตั้งอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้ามาพิจารณาตามพระธรรมคําคสอนเน่ยบอกว่านําเหตุที่เป็นเหตุสําคัญคือความยินดีของปุถุชนว่าบอกว่าเพราะอะไรอะ่ะความไม่รอบรู้เป็นเหตุแห่งความข้อนั้นเพราะไม่รอบรู้ด้วยยาตาปริญญาติระนาปริญญาและปานาปริญญาก็เลยเป็นผู้ยินดีในดิน คือยินดีในทุกก็ไม่พ้นจากทุกใช่ไมมโทษของการไม่รอบรู้ด้วยปริญญาสามเป็นอย่างนี้ฉะนั้นปุถุชนย่อมสำคัญปฐวีเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่า